มักสัตว์เป็นกุศลนิโรธสัตว์เป็นอัพยากริตทุกขสัตย์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากริตก็มีสองเวทนาติกะวิสัชชนาสัจจะสองที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธด้วยอทุกขะมสุขเวทนาก็มีนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธด้วยสุขเวทนา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 สัจจะสองไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสมสมุทยรยศที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มีทุกขสัจที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มี ansa. ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสก็มี๙ ทัศนะเหตุตุติกะวิสัชนาะสัจ ส, สองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสมุทรยศที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีทุกขสัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้องบนสก็มี 10. อาจยาคามิติกวิสันชนาะสมุทยสัตเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติมักสัตเป็นเหตุให้ถึงนิพพานนิโรธาสัตไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทุกขสัตที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติ และนิพพานก็มี11เอ็ดศกติกวิสัชนาะมคสัตเป็นของเสขบุคคลสัจจะสามไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล 12. ปริตติกวิสัชนาะสมุทยสัตเป็นปริตตะสัจสองเป็นอัปปามะนะทุกขสัตที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัศ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 ที่วิปปยุทธจากสังโยชน์ก็มีสมุทัยศาสตร์เป็นสังโยชตและเป็นอารมณ์ของสังโยตสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นป ส, สังโยชตและเป็นอารมณ์ของสังโยตหรือเป็นอารมณ์ของสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยชตทุกขัสัจที่เป็นสังโยชตและเป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยตแต่ไม่เป็นสังโยชตก็มีสมุทัยศาสตร์เป็นสังโยชต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 หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี 5. คันถะโคจักะบิสัชฉนาสมุทัยศาสตร์ C เป็นคันถะสัจสองไม่เป็นคันธะทุกขสัตที่เป็นคันถะก็มีที่ไม่เป็นคันถะก็มีสัจสองเป็นอารมณ์ของคันธะสัจสองไม่เป็นอารมณ์ของคันธะสัจสองวิปยุตจากคันธะ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 เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะหรือสัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะหรือสัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะทุกขสัตว์ที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะก็มีที่สัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า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 หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสัจจะสอวิปยุทธจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สมุทัยสัจกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุทธจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ทุกขสัจที่วิปยุทธจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี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 สัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตย์สัจจะสองวิปยุตจากปรามาตยสมุทัยสัตว์ที่สัมปยุตด้วยปรามาตยก็มีที่วิปยุตจากปรามาตยก็มีทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาตยก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาตยหรือวิปยุตจากปรามาตยก็มีสมุทัยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่า เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตย์สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตหรือเป็นอารมณ์ของปรามาทแต่ไม่เป็นปรามาตทุกขสัตว์ที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาทก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มีสัจจะสองวิปยุจจากปรามาต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 หรือวิปปยุ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสทุกขสัต์ที่วิปปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี1ิบสา ม, สม 13. ปิธิทุกขวิสัชนาสัจจะสอง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 สัจจะสองไม่เป็นกามาวจรทุกขสัตย์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีสัจจะสาไม่เป็นรูปาวจรทุกขสัตย์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีสัจจะสาไม่เป็นอรูปาวจรทุกขสัตว์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มี